มีใครอยากจะถามอะไรก็เข้ามาถามได้ถ้าไม่อยากถามเองก็เขียนใส่กระดาษมาให้พิธีกรอ่านให้ก็ได้อยากจะรู้อะไรอยากจะฟังอะไรที่นี่เป็นอาหารตามสัง่งร้านตามสัง่งไม่มีเมนูตายตัว ไม่ได้ทําอะไรไว้ล่วงหน้าใครอยากกินก๋วยเตี๋ยวก็สั่งก๋วยเตี๋ยวใครอยากกินข้าวผัดก็สั่งข้าวผัดใครอยากจะฟังเรื่องสมาธิก็สั่งมาใครอยากจะฟังเรื่องปัญญาใครอยากจะฟังเรื่องศีลเอใครอยากจะฟังเรื่องทําบุญทําทานก็สามารถที่จะเอ ถามได้บอกได้เพราะพ่อครัวไม่รู้ว่าคนคนกินอยากจะกินอะไรเดี๋ยวทำเองแล้วเดี๋ยวจะไม่ชอบกินไม่อร่อยธรรมะก็เป็นเหมือนอาหารมีหลากหลายชนิดด้วยกันอาหารใจธรรมะนี่เป็นอาหารใจไม่ใช่อาหารกาย ถ้าอาหารกายก็ต้องไปที่ออพิซซ่าไปที่ร้านอาหารถ้าอาหารใจก็มาที่วัดวัด น, นี้เป็นที่ขายอาหารใจธรรมะคือคือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะสอนให้เรา ทำให้ใจของเรามีความอิ่มมีความสุขทำให้ใจไม่หิวไม่อยากตอนนี้ใจของพวกเราหิวอยากได้นั่นอยากมีนี่อยากอยู่เรื่อยๆอยากแล้วก็ไม่สบายใจอยากแล้วไม่ได้ก็เสียใจถ้าอยากแล้วได้ก็ดีใจดีใจเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็มีความอยากใหม่ขึ้นมา ตอนนี้อยากกินพอได้กินเสร็จก็อยากดื่มได้ดื่มเสร็จก็อยากดูได้ดูแล้วก็อยากฟังอยากฟังแล้วก็อยากจะไปเที่ยวอยากไปซื้อของซื้อนั่นซื้อนี่อยากไปเรื่อยๆไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอเพราะของที่เราได้มามันไม่ได้เป็นอาหารของใจ มันไม่ได้ทำให้ใจอิ่มอาหารของใจนี่ต้องทาบุญถึงจะอิ่มแทนที่จะเอาเงินไปซื้อของที่อยากได้เอาเงินไปทาบุญทาบุญแล้วใจจะอิ่มใจจะมีความสุขเวลาทําบุญแล้วมีความภูมิใจสุขใจทําบุญที่จะให้เกิดความอิ่มใจสุขใจ ต้องทำบุญแบบที่เห็นเห็นผลทันตาเช่นไปปล่อยนกปล่อยปลาพอได้ปล่อยนกปล่อยปลาเห็นเขามีอิสระภาพหรือไปถ่ายชีวิตของสัตว์ที่ตลาดเนี่ยไปซื้อปลาซื้ออะไรที่ยังไม่ตายที่จะต้องตายถ้ามีคนมาซื้อเอาไปทำอาหาร เราก็ไปซื้อมาแล้วก็ไปปล่อยเขาปล่อยไปในน้ำในช่วยชีวิตเขาถ้าทาบุญแบบนี้มันจะเห็นผลทันตามันจะเกิดความสุขใจอิ่มใจเกิดความภูมิใจเงินเนีน้ยเงินเงินที่ไปใช้ทาบุญกับเงินที่ไปซื้อของตามความอยากเนี่ย มีผลไม่เหมือนกันซื้อของตามความอยากก็ดีใจเดียวเดียวได้ของที่อยากได้มาเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็หายไปเพราะจะมีความอยากได้ของของอย่างอื่นต่อไปของที่ได้มาก็ไม่ได้ทำให้ดีใจเหมือนตอนที่ได้มาใหม่ๆดีใจเดียวเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็หมดความหมาย พอมีความอยากได้ของอีกอย่างอื่นต่อไปแล้วได้อะไรมามากน้อยก็เป็นแบบเดียวกันดีใจเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวก็อยากแล้วถ้าเกิดไม่มีเงินซื้อของที่อยากได้ทีนี้ก็ไม่สบายใจละหงุดหงิดลาคาล อ, อ, อารมณ์ไม่ดีเพราะไม่ได้สิ่งที่อยากได้ ได้มาก็ดีใจเดียเดยยดเด๋ยวเดียวหายหงุดหงิดเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็เกิดความอยากได้ใหม่ขึ้นมาในทางตรงกันข้ามถ้าเอาเงินที่ไปอยากไปซื้อของที่อยากได้นี้เอาไปทำบุญนความอยากซื้อของมันจะหายไปเพราะว่าเงินที่เราเอ า, เอามาทำบุญมันทำให้ใจเราอิ่ม แล้วทำให้เราไม่ไปสนับสนุนความอยากที่อยากจะได้ของนั้นของนี้พอความอยากไม่ได้รับการสนับสนุนมันก็จะตายไปมันก็จะหมดกำลังไปมันก็จะไม่มาสร้างความลำคาญใจให้กับเราเห็นอะไรก็เฉยเฉยไม่อยากได้เพราะใจอิ Everyday, อ่มอิ่มที่เกิดจากการได้ทำบุญ ได้ช่วยเหลือผู้อื่นได้ทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นให้ความสุขแก่ผู้อื่นใจเราก็เลยเกิดความสุขใจอิ่มใจเกิดความภูมิใจความอยากที่จะใช้เงินไปกับความอยากก็เลยหายไปเพราะไม่ได้ทำถ้าทำแล้วมันก็จะโผ่่ขึ้นมาเรื่อยๆ อยากได้อะไรพอไปซื้อปั๊บเดี๋ยวมันก็อยากจะได้อย่างอื่นต่อได้มากี่ชิ้นกี่อันก็ไม่พออยากไปเรื่อยๆแล้วพอไม่มีเงินที่จะซื้อของที่อยากได้ก็จะเกิดความหงุดหงิดลำคาญใจเกิดความเศร้าใจขึ้นมาแต่ถ้าเอาเงินมาทำบุญแล้ว ใจจะอิ่มใจจะสุขใจจะไม่อยากได้อะไรนะเวลาไม่มีเงินก็ไม่เดือดร้อนไม่มีเงินจะซื้อของก็ไม่เดือดร้อนเพราะไม่มีความอยากจะซื้อของอะไรไม่มีเงินทำบุญก็ไม่เดือดร้อนไม่ทำก็การทำบุญจะไม่ได้ทำให้เดือดร้อนเวลาอยากจะทำบุญแล้วไม่มีเงินทำ ความอยากทำบุญนี้จะไม่ทำให้เราเดือดร้อนใจเหมือนกับความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากไปที่นั่นอยากมาที่นี่อยากดูอยากฟังอะไรต่างๆนี่คืออาหารใจสิ่งที่จะทำให้ใจเรามีความสุขมีความอิ่มคือการเสียสละแบ่งปันเรียกว่าบุญการให้ การให้นี่คือบุญการให้นี้เป็นเหตุเป็นการกระทาบุญคือความสุขใจเป็นผล เ, เวลาทำบุญเวลาให้แล้วก็จะเกิดความอิ่มใจสุขใจขึ้นม า, าฝนตกหาที่นั่งกันใหม่ข้างบนศาลานี้ก็ว่างศาล า, าหลังใหญ่ข้างหลังก็ว่าง ที่ไหนก็ได้ข้างหน้านี้ใกล้ๆมีที่นั่งความอยากนี้ทำให้เร า, เาไม่อิ่มไม่พอพออยากแล้วต้องได้ถ้าไม่ได้เราก็หงุดหงิดลาคาญใจกระวลกระวายกระสับกระสายานี่แหละเป็นต้นเหตุของความไม่สบายใจของพวกเรา คือความอยากต่างๆเวลาที่เราไม่มีความอยากนี่เราจะอยู่เฉยๆได้เช่นตอนนี้เราไม่มีความอยากกันเราก็เลยนั่งเฉยๆได้ถ้าเดี๋ยวเกิดความอยากขึ้นมาเราจะนั่งเฉยๆไม่ได้ดะนั้นความสุขของเราอยู่ที่การกำจัดความอยากต่าง ๆ, ๆ ไม่ใช่ทําตามความอยากพอะการทําตามความอยากเป็นการสร้างความอยากให้มีเพิ่มมากขึ้นพออยากพอได้ได้คืบ ก, ก็อยากจะได้สอกได้สอกก็อยากจะได้วาสมัยตอนเป็นเด็กๆได้เงินไปโรงเรียนวันละไม่กี่บาทก็ดีใจแล้วพอเรียนจบมาได้เงินเดือน เป็นหมื่นก็ไม่พอเลยนะได้เงินเดือนหมื่นก็อยากจะได้เพิ่มเป็นสองหมื่นได้สองหมื่นก็อยากจะได้เพิ่มเป็นสามหมื่นได้เท่าไหร่ก็ไม่มีวันพอพ อ, อได้มาแล้วก็อยากเอาไปใช้พอใช้มันก็ไม่พอใช้นี่คือปัญหาของพวกเรา ที่เราไม่มีความสุขกันก็เพราะเราอยากได้อะไรต่างๆมากมายกายกองได้มามากน้อยเพียงไรก็ไม่อิ่มไม่พออยากจะได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรามากำจัดความอยากกันอย่าทำตามความอยากกันถ้าจะทำอะไรก็ทำตามความจาเป็น ได้อยู่ความจำเป็นกับความอยากนี้ต่างกันความจำเป็นนี้คือต้องทำถ้าไม่ทำแล้วเกิดผลเสียหายต่อชีวิตของเราต่อร่างกายของเราเช่นถึงเวลารับประทานอาหารต้องรับประทานอาหารถ้าไม่รับประทานอาหารตามเวลาเดี๋ยวร่างกายก็ขาดอาหารแล้วร่างกายก็จะ เจ็บไข้ได้ป่วยหรือตายได้อันนี้ก็จําเป็นจะต้องรับประทานอาหารแต่ถ้ารับประทานมากเกินความต้องการของร่างกายอันนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นความอยากรับประทานเสร็จไปไม่ถึงไม่ถึงทั่วโมงอยากจะรับประทานอีกแล้วเห็นขนมก็อยากจะรับประทานอย่างนี้เรียกว่าเป็นความอยากไม่ควรจะรับประทาน คนรับประทานอาหารเหมือนกับเรารับประทานยาเวลารับประทานยานี่เรามีเวลามีประมาณปริมาณของยาตามหมอสั่งหมอบอกว่าให้รับประทานยาสามครั้งก่อนอาหารหรือหลังอาหารครั้งละหนึ่งเม็ดสองเม็ดเนี่ยเราก็รับประทานตามที่หมอสั่งถ้ารับประทานแบบนี้เรียกว่ารับประทานด้วยความจําเป็น ไม่เป็นไม่เป็นความอยากไม่เป็นโทษต่อจิตใจแต่ถ้ารับประทานอะไรตามความอยากาทาั้งทั้งที่ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องรับประทานเช่นเราร <STE F ert> ับประทานอาหารเป็นมื้ออย่างนี้ระหว่างมื้อเราก็ไม่ควรรับประทานอะไรเพราะการรับประทานระหว่างมือนี้ถือว่ารับประทานด้วยความอยากไม่ได้ด้วยความจำเป็น ถ้าทาด้วยความอยากมันก็จะติดมันก็จะอยากไปเรื่อยๆแล้วเวลาไม่ได้รับประทานเวลาอยากก็จะเกิดความหงุดกิดลำคาญใจขึ้นมาดัง น, นเวลาทาอะไรถามตัวเองว่าทำด้วยความอยากหรือทำด้วยความจำเป็นถ้าทำด้วยความจำเป็นไม่เป็นโทษเพราะมันจะไม่ติดมันจะไม่ มันจะไมะ่เกิดความลำคาญใจเวลาไม่ได้ทำแต่ถ้าทำด้วยความอยากเนี่ยไม่จำเป็นแต่อยากทำอยากกินอยากดูอยากฟังอะไรต่างๆอันนี้มันจะทำให้เราติดติดแล้วเวลาเราไม่สามารถทำตามความอยากได้เราจะหงดกิดลำคาญใจไม่สบายใจ ความอยากนี่มันไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอความอยากไม่มีขอบไม่มีฝั่งน้ำในมหาสมุทนี่มหาสมุทรจ้ากว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนก็ยังมีขอบมีฝั่งแต่ความอยากนี่ไม่มีขอบไม่มีฝั่งได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอกลับจะทำให้หิวให้อยากไปเรื่อย แล้วจะทําให้เราต้องไปหาอะไรมาตามความอยากแล้วอาจจะต้องไปทําบาปต่อไปถ้าอยากได้อะไรแล้วไม่สามารถหามาได้ด้วยวิธีที่ไม่ทําบาปก็อาจจะไปทําบาปเพราะยังอยากได้อยู่เช่นอยากไปเที่ยวแต่ไม่มีเงินไปเที่ยวก็อาจจะต้องไปขโมยเงินหรือไป ชอ่อโกงทำอะไรเพื่อให้ได้เงินมาเพื่อจะได้เอาเงินไปเที่ยวกันไปซื้อของที่อยากซื้อกันแล้วพอทำบาปแล้วใจก็จะไม่สบายใจจะวิตกกังวลหวาดกลัวกลัวจะถูกเขาจับได้กลัวเขาจะรู้กลัวผู้คนอื่นเขาจะรู้ว่าเราทำบาป เราก็อาจจะถูกจับไปลงโทษต่อไปได้นี่เป็นผลที่จะตามมาหากเราไม่ควบคุมความอยากหากเราปล่อยใจของเราให้ทาอะไรตามความอยากไปเรื่อยๆมันจะทำให้เราจะต้องไปทำบาปต่อไปเพราะเงินทองที่เรามีใช้กับความอยากมันจะต้องหมด รายได้ที่เราได้จากการทำงานที่สุดจริตมันจะไม่พอใช้เมื่อไม่พอใช้มันก็จะบังคับให้เราทุจริตทำงานในบริษัทถ้ามีโอกาสโกงได้ก็จะโกงทำอะไรมีโอกาสที่จะโกงได้ก็จะโกงเพราะอยากได้เงินง่ายๆอยากได้เงินมากๆอยากได้เงินเร็วๆ วิธีที่จะได้เงินง่ายๆมากๆเร็วๆก็ต้องโกงถ้าถ้าไม่โกงก็จะไม่ได้เนี่ยคนที่ทํามาหากินเขามักจะมาบน่นกันว่าถ้ารักษาศีลแล้วนี่หากินลําบากหากินยากเพราะเดี๋ยวจะต้องโกหกคนมาซื้อของก็ต้องโกหกว่าคุณภาพดีอย่างนั้นอย่างนี้ ซื้อมาราคาขนาดนั้นขนาดนี้ขายราคาต่างกว่านี้ไม่ได้อันนี้ก็โกหกหลอกลวงกันนะแล้วพอทําทบาปแล้วมันก็มีโทษกับจิตใจทำให้จิตใจหงุดหงิดไม่สบายใจแล้วมีโทษตามมาอีกเยอะไม่ใช่ไม่เฉพาะแต่เวลาที่เรามีชีวิตอยู่เท่านั้น เวลาตายไปเราก็ยังจะไปรับโทษของการทำบาปอีกต่อไปเพราะเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายถ้าเราทำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ว่าเป็นบาปมีโทษตามมาแต่เราทำเพราะเราคิดว่าทำเพื่อเอาตัวรอดเช่นเราไม่มีเงินพอที่จะเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง เราก็เลยตอยปรารภขโมยอันนี้จะทำให้เรา เ, เวลาตายไปแล้วจะกลับมาเกิดเป็นสัตว์ในรัจฉานจะไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์จะต้องไปเป็นไปอยู่แบบสัตว์ในราชฉานเพราะตอนที่เราเป็นมนุษย์เราเราเป็นเราอยู่แบบสัตว์ในรัจฉานเราขโมย ของคนอื่นมาใช้มากินรักทรัพย์เหมือนกับสัตว์เดรัจฉานสุนัขเนี่ถ้าเราเผลอวางอาหารไว้เดี๋ยวมันก็มาคาบไปกินเอมันยังไม่ขออนุญาตก่อนเพราะมันเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าเป็นมนุษย์ถ้าอยากจะกินอาหารของใครก็ต้องขออนุญาตเจ้าของเขาก่อนถามก่อนว่ากินได้ไหมถ้าเขาให้กินก็ไม่ก็กินถ้าเขาไม่ให้กินก็ไม่ไปแตะ อันนี้เป็นเป็นเป็นสารชาติเป็นสารชาติยานของมนุษย์มนุษย์ที่แท้จริงจะไม่ทําบาปจะไม่ลักขโมยจะไม่ฆ่าสัตว์จะไม่ประพฤติผิดประเวณีจะไม่พูดปดโกหกหลอกลวงจะไม่ดื่มสุรายามเมาแต่ถ้าทําบาป เ, าเพราะว่าอา ไม่สามารถที่จะเลี้ยงตนเองได้โดยการที่ไม่ทำบาปอันนี้ตายไปก็จะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานต้องไปใช้บาปก่อนใช้บาปให้หมดเมื่อบดบาปแล้วถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าทำบาปด้วยความโลภคือไม่ต้องทำก็อยู่ได้แต่อยากได้มากๆ อยากมีมากๆอยากรวยอยากอะไรก็จะท ำ, ทำบาปด้วยความโลภใจก็จ ะ, ะเป็นเปรตเปรตก็คือดวงวิญญาณที่มีแต่ความหิวโหวยตายไปไม่มีร่างกายแต่ใจก็ยังหิวโหวยอยู่หิวโหวยด้วยความอยากอยากได้นั่นอยากมีนี่ ถ้าทำบาปด้วยความกลัวตายไปใจก็จะเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัวถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทโกรธเกลียดใจก็จะเป็นนรกจะมีแต่ไฟนรกคือความอาฆาตพยาบาทไม่มีความเย็นไม่มีความสงบไม่มีความสุขใจรุ่มร้อน คอยจ้องที่จะคิดทำร้ายผู้นั้นผู้นี้อยู่ตลอดเวลา น, นี่คือผลเสียที่จะตามมาจากการที่เราทำบาปจากการที่เราปล่อยใจเราทำตามความอยากต่างๆเพราะความอยากมันจะดูดเงินทองของเราไปจนเราจะไม่มีเงินทองพอจะใช้พอเงินทองไม่พอใช้เราก็จะเอาไป เราก็จะไปหาเงินทองโดวยวิธีทำบาปกันทำไมคนเราถึงต้องทำบาปกันทำไมทำไมต้องขโมยเข้าของเงินทองของคนอื่นทำไมต้องช่อโกงกันทำไมต้องหลอกลวงกันก็เพราะความอยากได้เงินของคนอื่นเพราะว่าหาเองหาไม่ได้หาเองมันได้แค่สามร้อยถ้าไม่มี ไม่มีวิชาความรู้ไปทำงานเขาก็ให้ค่าแรงขั้นต่ำวันละสามร้อยแต่ความอยากใช้เงินมันอยากใช้เงินมากกว่าสามร้อยอยากใช้เงินวันละสามพันห้าพันอย่างนี้วันละสามร้อยก็ไม่พอใช่ก็ไปปนทองดีกว่าไปปนบ้านทองปนล้านทองก็ได้ทองมาเป็นแสน เราเนี้อยากจะซื้ออะไรอยากจะใช้อะไรก็นี่ก็เกิดจากความอยากคนเราเนี่ยความอยากพายเรากลายเป็นคนชั่วไปถ้าเราคุมความอยากได้นี่เราสามารถป้องกันไม่ให้เรากลายเป็นคนชั่วได้เป็นคนดีได้วิธีก็คือถ้าเราจะเอาเงินไปใช้ของตามความอยากก็เก็บไว้ดีกว่า เก็บไว้สําหรับใช้กับความจําเป็นดีกว่าเพราะเรายังต้องกินข้าวเรายังต้องมีค่าใช้จ่ายที่จําเป็นค่าน้ําค่าไฟค่าบ้านค่าอะไรต่างๆอย่าเอาเงินไปเที่ยวเลยเที่ยวเดี๋ยวเดียวก็หมดะไปซื้อกระเป๋ามาเดี๋ยวเดียวก็ดีใจเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวนี้กระเป๋าฟรีก็มีเนี่ยไปชอปปิ้งเขาก็ให้กระเป๋าให้ถุงพลาสติกมานะ มีเปลี่ยนยี่ห้อได้หลายยี่ห้อจะเป็นโลตัสก็ได้จะเป็นบิ๊กซีก็ได้เ ป, ไดเปลี่ยนเปลยนเปลี่ยนยี่ห้อเปลี่ยนสีได้มันก็เป็นกระเป๋าเหมือนกันใส่ของได้เหมือนกันแต่เราต้องไปเสียเงินชันโดยใช่เหตุต้องเป็นกระเป๋าหนังต้องมีป้ายติดมีตัวอักษรติดโอ้โพอมีอักษรซีซีขึ้นมาเนี่ย ซีดีคริสเตียนดีอขึ้นมากลายเป็นของราคาแพงขึ้นมาทันทีเสียเงินโดยใช่เหตุ <Yeah. S 1> นี่ละที่ทำให้คนเราต้องดิ้นหลนหาเงินกันแบบไม่รู้จักพอก็เพราะว่าอยากได้ของมากอยากซื้อของอยากไปเที่ยวอยากไปทำอะไรกันเพราะใจหิวใจไม่ได้อาหาร่ย พอไม่รู้จักวิธีให้อาหารของใจวิธีที่ทำให้ใจอิ่มก็คือเอาเงินที่จะไปเที่ยวเนี่ยไปทาบุญรับรองได้ว่าต่อไปความอยากเที่ยวนี้จะไม่มีใจจะอิ่มทำบุญทีายแล้วจะอิ่มเ อ, อบใจสุขใจทุกครั้งที่อยากจะใช้เงินตามความอยากก็เอาไปทำบุญหรือเก็บเอาไว้เป็นเงินสำรองดีกว่า เพราะว่าอนาคตเราไม่รู้ว่าเราจะเดือดร้อนหรือไม่เราจะตกงานหรือไม่เราจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่ เ, เรามีเงินสำมรองเวลามีเหตุการณ์เดือดร้อนเราก็สามารถที่จะเอาเงินสำมรองนี้มาใช้ได้ไม่ต้องไปยืมเงินหรือไม่ต้องไปขโมยเงิน เ, เพราะเวลาเราไม่ มีเงินสำรองเอาไปใช้ตามความอยากหมดเดี๋ยวเวลาเราเดือดร้อนเราจะลําบาก น, นจ ะ, จะเพราะพระเจ้าถึงสอนให้เราหัดทำบุญเงินมาทำบุญทำทานเป็นการให้อาหารกับใจทำบุญนี้ไม่จำเป็นจะต้องทำกับวัดอย่างเดียวทำกับใครก็ได้ทำทำแล้วเราเกิดความอิ่มใจสุขใจ คือให้ใครก็ได้ให้คนที่เราเห็นว่าเขาเดือดร้อนจริงๆเขาต้องการความช่วยเหลือจริงๆให้เขาแล้วเราก็จะมีความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาเห็นทำได้ทำที่โรงเรียนทำเด็กยากจนทำกับคนยากจนทำกับคนเจ็บไข้ได้ป่วย ทำที่ไหนก็ได้ขอให้เราเห็นผลจากการทําของเราเห็นว่าเราทําให้คนอื่นได้รับการบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนพอเห็นเขาได้อยู่ดีขึ้นกว่าเดิมมีความสุขมากกว่าเดิมหรือความทุกข์น้อยลงไปมันก็จะทําให้เราเกิดความอิ่มใจสุขใจขึ้นมา ทำไปทุกครั้งที่มีเงินแล้วอยากจะเอาเงินไปเที่ยวเอาไปทำบุญถ้าไม่เก็บไว้ก็เอาไปทำบุญแล้วเก็บไว้มันก็ดีอย่างเสียอย่างเก็บไว้ก็ดีสำหรับอนาคตแต่ไม่ดีตรงที่จะไม่ได้ความจะไม่ได้บุญจะไม่ได้ความสุขใจอิ่มใจแต่ถ้าเอาไปทำบุญแล้วจะได้ความสุขใจอิ่มใจแต่อนาคตอาจจะเดือดร้อนก็ได้ เพราะฉะนั้นก็ต้องรู้จักแบ่งเงินไว้แบ่งไว้ส่วนหนึ่งไว้สำหรับอนาคตที่ไม่แน่นอนอีกส่วนหนึ่งก็เอาไปทาบุญถ้าจะเอาไปเที่ยวถ้าจะเอาไปใช้กับความอยากเอาไปทาบุญดีกว่าเพราะทาบุญแล้วจะทำให้เราอิ่มใจ จะลดความอยากได้จะทำให้เราไม่ถูกกดดันให้ไปทำบาปเพราะเมื่อเราไม่ได้ใช้เงินมากเราก็จะมีเงินพอใช้เราก็ไม่ต้องไปทำบาปคนที่ทำบุญเนี้ยจะทาจะรักษาศีลได้คนที่ไม่ทำบุญนี้มักจะรักษาศีลไม่ได้เพราะว่าแสดงว่าจะเอาเงินไปใช้ตามความอยาก เมื่อใช้ตามความอยากมันจะไม่พอใช้เพราะความอยากมันจะเพิ่มมาอยู่เรื่อยๆแล้วพอเงินหมดมันก็จะทําให้ต้องไปทําบาปเพื่อที่จะเอาเงินมาใช้ตามความอยากต่อแล้วก็จะต้องวุ่นวายใจถ้าถูกเขาจับก็อาจจะไปติดคุกติดตาราง <c oughs> นี่คือผลที่จะตามมาหากเราไม่ควบคุมความอยาก หากเราไม่ให้อาหารใจคือการทำบุญทาทานานะยันเราควรหัดมาทำบุญทาทานกันและหัดจะควรจะทำให้มันเป็นนิสยัยควรจะทำทุกวันเหมือนกับเรากินข้าวกินข้าวเราก็ต้องกินทุกวันร่างกายถึงจะสมบูรณ์แข็งแรงใจของเราจะสมบูรณ์แข็งแรงก็ต้องทำบุญทุกวัน สมัยก่อนชาวบ้านจะมีพระบินฑบาททุกวันชาวบ้านก็ได้ทำบุญใส่บาตรกันทุกวันสมัยนี้เราอยู่ในเมืองบางทีไม่มีพระที่จะมาใส่บาตรเราก็สามารถทำบุญได้โดยวิธีเอาเงินที่จะใส่บาตรใส่กระปุกไว้ก่อนก็ได้ห้าบาทสิบบาทใส่ไปทุกวัน แล้วพอถึงเวลาที่เรามีวันที่อยากจะทําบุญเราก็จะมีเงินไปทําบุญได้ถ้าเราไม่ทําทุกวันเดี๋ยวพอถึงวเวลามีวันเกิดที่อยากจะทําบุญก็ทําได้นิดเดียวเพราะว่าไม่ได้เก็บเงินไว้สำหรับทําบุญเอาเงินไปใช้เรื่องอื่นเสหมดเลยไม่ได้ทําบุญการทําบุญทุกวันจะทําให้ความอยากมันน้อยลงไปด้วยทุกวัน ทำบุญแล้วใจจะอิ่มเหมือนใจจะสุขทำแล้วมาพอมันติดเป็นนิสัยแล้วมันอยากจะทำมันจะทำง่ายถ้านานๆทาทีมันจะทำยากเพราะจะเสียดายเงินเพราะเคยเอาเงินไปใช้ตามความอยากอยู่เรื่อยๆพอจะต้องเอามาทำบุญแต่ละครั้งก็จะรู้สึกเสียดายแล้วก็เลยไม่เห็นคุณค่าของการทำบุญเพราะมันทำน้อย เหมือนการ ก, กินข้าวเดินละครเนี่ยมันก็เลยไม่เห็นคุณค่าของการกินข้าวเพราะกินแต่ละครั้งมันก็ไม่อิ่มเพราะนานๆจะกินสักครั้งหนึ่งแต่ถ้าเรากินข้าวทุกวันทุกวันวันละสามมื้อนี่เราจะเห็นคุณค่าของการกินข้าวเพราะกินแล้วมันจะทำให้เราอิ่มการทำบุญก็เหมือนกัน อยากจะเห็นคุณค่าของการทําบุญนี่เราต้องทําอยู่เรื่อยๆทําอย่างสม่ําเสมอทําอย่างต่อเนื่องทําตามกําลังของเราที่เราจะทําได้คือเอาเงินที่เราจะไปใช้กับของที่เราของที่ไม่จําเป็นไปใช้กับความอยากนี่เอาเงินเหล่านี้มาทําบุญส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งอาจจะเก็บเอาไว้สํารองไว้วันข้างหน้า แล้วเราจะมีความสบายใจวันข้างหน้าเราก็จะไม่กังวลมากเพราะเรามีเงินสำรองไว้ปัจจุบันเราก็มีความอิ่มใจที่เกิดจากการได้ทำบุญแล้วต่อไปเราไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองไปใช้กับความอยากต่างๆแล้วเงินทองจะมีเหลือใช้พอใช้ทาให้เราไม่ต้องไปทำบาปกัน นี่คือเรื่องของอาหารของใจแล้วจะทำให้เราป้องกันใจของเราไม่ให้ไปตกต่ำทำบุญแล้วเราจะไม่ชอบทาบาปไม่อยากไม่มีความจาเป็นจะต้องทาบาปเพราะเรามีความมีมีความพอเราไม่ได้หิวโหวยเราไม่ได้ทำตามความอยากก็จะทำให้เราไม่ต้องไปทำบาป เมื่อไม่ทำบาปจิตใจของเราก็จะไม่ตกต่ำ <doom> จิตใจของเรานี้มันไม่ได้อยู่เป็นมนุษย์อย่างเดียวจิตใจของพวกเรานี้สามารถขึ้นสูงก็ได้ลงต่ำก็ได้ <doom> จิตใจของเราขึ้นสูงเพราะบุญลงต่ำเพราะบาปทำบาปจิตใจเราก็จะลงต่ำกว่าฐานะของมนุษย์ ตามคนมนุษย์ก็คือเดรัจฉานเปรดเอสุลกายนารกเนี่ยอันนี้เป็นสภาวะของจิตใจเวลาที่ตายไปแล้วหรือเวลามีชีวิตอยู่สภาวะของจิตใจนี้เปลี่ยนได้ถ้าเป็นมนุษย์นี่จิตใจจะเฉยๆจะเป็นกลางๆไม่สุขไม่ทุกข์เนแต่พอทำบาปแล้วจิตใจก็จะรจะเริ่มทุกข์ขึ้นมา ทุกข์เพราะความโลภทุกข์เพราะความหลงทุกข์เพราะความอยากทุกข์เพราะความโกรธทุกข์เพราะความกลัวถ้าเราทําบาปด้วยความกลัวเราก็จะทุกข์เราก็จะกลัวไปเรื่อยๆถ้าเราทําบาปด้วยความโลภเราก็จะหิวไปเรื่อยๆถ้าเราทําบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทเราก็จะอาฆาตพยาบาทไปเรื่อยๆใจจะร้อนอยู่ตลอดเวลา กินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วเวลาไม่มีร่างกายก็จะเป็นอย่างนี้ไปนานเวลาที่เราไม่มีร่างกายก็เหมือนตอนที่เรานอนหลับเวลาเรานอนหลับเรามักจะฝันกันฝันดีบ้างฝันร้ายบ้างที่ฝันดีก็เพราะบุญทําให้เราฝันดีเพราะเราทําความดีไว้ในขณะที่เราตื่น พอนอนหลับความดีที่เราทําไว้มันฝังอยู่ในใจ ม, นมันก็จะโผล่ขึ้นมาในรูปแบบของความฝันถ้าเราทําบาปตอนที่เราตื่นเวลาเราน อ, นอนหลับบาปที่เราทํามันก็จะโผล่ขึ้นมาในเป็นรูปแบบของความฝันทําให้เราฝันร้ายแล้วเวลาตายไปก็เหมือนนอนหลับยาวก็จะฝันยาวฝันนานฝันเป็นสิบสิบปีร้อยปี จนกว่าจะได้ร่างกายอันใหม่ถึงจะตื่นขึ้นมาใหม่ใจของพวกเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจของพวกเรามาเกาะร่างกายมาสายร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้หาราบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสเราต้องมีร่างกายกัน ที่เรามาเกิดก็เพราะเรายังอยากได้ลาบยศสรรเสริญอยากได้รูปเสียงกดลิ่นรสมาเสพกันมีใครไม่อยากได้ลาบมัง้งมีใครไม่อยากได้ยศมัง้งตำแหน่งทำงานก็อยากจะได้ตําแหน่งสูงได้เป็นหัวหน้าได้เป็นผู้จัดการรับราชการก็อยากจะเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นเป็นอธิบดีเป็นรัฐมนตรี นี่คือความอยากได้ยศอยากได้ลาบก็คืออยากได้เงินอยากได้เงินทองลาบยศอยากได้สรรเสริญอยากให้เขายกย่องว่าเราเก่งเราดีวิเศษได้รางวัลได้เหรียญทองได้โล่ทองคำได้ประกาศเกียรติติดคุณอะไรต่างๆได้เครื่องราชอิสริยภรอันนี้ก็เป็นเรื่องของ รลเสรนแล้วก็อยากได้ความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายกันอยากไปเที่ยวอยากไปดูหนังฟังเพลงอยากจะไปกินไปดื่มอะไรกันอันนี้คือความอยากที่ทําให้เราต้องมามีร่างกายกันพอเรามาพอได้ร่างกายปับ๊บเราก็ใช้ร่างกายพาเราไปหาราบยศชรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสกันหาแบบ ทำบาปบ้างหาแบบไม่ทำบาปบ้างแล้วถ้าหาได้มามากก็อาจจะเอาแบ่งเอาไปทำบุญบ้างถ้าชาตินี้โชคดีหาเงินได้เก่งหาเงินได้เยอะใช้ไม่หมดก็มีเหลือเยอะก็เอาไปทำบุญไม่ต้องทำบาปถ้าถ้า ถ้าหาเงินไม่เก่งหาเงินไม่พอใช้ก็จะไม่ได้ทำบุญแต่จะได้ทำบาป dependence. เพราะเมื่อเงินไม่พอใช้ก็จะต้องไปทำบาปเพื่อหาเงินมาเพิ่มเพื่อที่จะได้ใช้ตามความอยากได้เนี่ยการมาื่อากรของเราแต่ละครั้งก็จะทำให้เราต้องทำบา้าทาบาบ้างทำบุญบ้างแล้วพอเราตายไปเราก็ต้องไปรับผลบุญผลบาปก่อนถ้า ถ้าชาติไหนได้ทำบุญมากกว่าทำบาปตายไปก็ไปสวรรค์สวรรค์ก็คือฝันดีเวลาเราตายไปเวลาเรานอนหลับแล้วเราฝันดีนี่เราเรียกว่าสวรรค์ว่าเวลาฝันดีมันมีความสุขถ้าฝันร้ายมันมีความทุกข์แล้วก็เรียกว่าอบายนะเวลามีร่างกายก็ฝันไม่นานไม่กี่ชั่วโมงนอนหลับห้าหกชั่วโมงก็ฝันไป พอตื่นขึ้นมาก็กลับมาที่ร่างกายใหม่แต่ถ้าเวลาร่างกายตายไปไม่มีร่างกายทีนี้ก็จะฝันยาวฝันไปจนกว่าจะได้ร่างกายอันใหม่ถึงจะตื่นขึ้นมาใหม่ น, นี่คือเรื่องของใจของพวกเราที่เราเราเป็นกันอยู่ทุกวันนี้เวียนก็เรียกว่าเวียนว่ายตายเกิด ตายแล้วก็ไปเกิดใหม่ช่วงเวลารอรอร่างกายอันใหม่ก็ไปอยู่ในสภาพที่สุขหรือทุกข์ถ้าอยู่ในสภาพสุขก็เรียกว่าสวรรค์อยู่ในสภาพทุกข์ก็เรียกว่าอาบายที่สุขก็เพราะได้ทําบุญถึงทาให้เราไปอยู่ในสภาพที่มีแต่ความสุขถ้าเราไปอยู่ในสภาพที่มีแต่ความทุกข์ก็เพราะเราทาบาป มันก็จะพาให้เราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสภาวะต่างๆสภาวะต่างๆเราก็มีชื่อเรียกเป็นเป็นสวรรค์บ้างเป็นอบายบ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นนรกบ้างอันนี้ก็เป็นสภาวะของจิตใจที่ได้รับวิบากได้รับผลของการของการทำบุญทำบาป ในช่วงที่เวลาที่ไม่มีร่างกายหรือเวลาที่นอนหลับเวลานอนหลับเราก็เหมือนคนตายร่างกายไม่ได้ทำงานร่างกายนอนอยู่เฉยๆใจของเราก็เลย อ, อยู่กับความฝันอยู่กับเหตุการณ์ที่เราได้ทำมามาปรากฏในรูปแบบของความฝันในเวลาฝันนี่เราไม่รู้ว่าเราฝันหรอ เราคิดว่าเราอยู่ในโลกในโลกของความเป็นจริงจะมารู้อีกทีตอนที่เราตื่นแล้วถึงจะมารู้ว่าเมื่อกี้นี่เราฝันไปแต่ขณะที่เราฝันนี่เหมือนกับตอนนี้เหมือนกับเรานั่งอยู่คุยกันตรงนี้เลยตอนนี้อาจจะเป็นความฝันก็นได้เราอาจจะไม่รู้พอเราจากนี่ไปเรามองย้อนกลับเราถึงจะรู้ว่าอ๋อเมื่อกี้นี่เราฝันถึงเรามาอยู่ที่นี่ ความจิกระดี่งนี่ก็เป็นเหมือนความฝันะเมืมอเช้านี้เราทำอะไรเราลองนึกถึงมันบแล้วก็เหมือนกับมันเหมือนกับเราตื่นขึ้นมาจากจากการนอนหลับเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเช้านี้มันก็ผ่านไปแล้วมันก็หมดไปแล้วเหมือนกับความฝันที่เราฝันพอเราตื่นขึ้นมาเหตุการณ์ในฝันนั้นก็ผ่านไปละหมดไปละเห็นชีวิตของเราจริงๆมันก็เป็นเรื่องของความฝันฝันตลอดเวลา ตอนนี้เราก็อยู่เนเรากําลังอยู่ในฝันกันอยู่แต่เราไม่รู้ว่าอยู่ในฝันเล้ะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวตอนเย็นมันนึกถึงทีเอ้เมื่อกี้เราฝันไปเนี่ยว่ะฝันว่ามาม า, ม า, มาวัดมาฟังเทศฟังธรรมมาทาบุญมันเหมือนกับความฝันไหมมันผ่านไปแล้วมันเอากลับมาได้ไหมไม่ได้และใช่ไหมนี่แหละฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีกัน ทำกันนี่มันเป็นของชั่วคราวเป็นเหมือนความฝันเที่ยวกันเสร็จมันก็ผ่านไปแล้วหมดไปแล้วไปทำอะไรมาเสร็จมันก็ผ่านไปแล้วหมดไปแล้วเราก็ต้องทำใหม่อยู่เรื่อยๆเพราะเราอยากจะได้ความสุขอยากจะได้ความสุขจากการกระทำะไรต่างๆแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าเราไม่สามารถหาความสุขตามที่เราต้องการได้เสมอไปเดี๋ยวจะต้องมีอุปสรรค ว่าบางทีเครื่องมือที่เราใช้ในการหาความสุขมันอาจจะบกพร่องเงินทองไม่พอใช้ก็มีปัญหาในการหาความสุขหรือวิธีหรื อ, รองานการที่เราทำเพื่อที่จะเป็นเครื่องมือหาเงินทองเกิดตกงานขึ้นมาก็เกิดมีปัญหาขึ้นมาแล้วเกิดบริษัทเจ้งขาดทุนไม่สามารถดำเนินการได้ก็ต้องปิดบริษัทเราก็เดือดร้อนกันล่ะ ต้องไปหางานใหม่กันนะถ้าหางานไม่ได้เดี๋ยวเราก็ไม่มีเงินที่จะมาหาความสุขกันพอไม่มีความสุขใจของเราก็จะทุกข์กันซึมเศรา้าว้าเวอยู่บ้านเฉยๆก็โงนหงิดลำคาญนี่คือปัญหาของการหาความสุขของพวกเรามันจะต้องสะดุดวันใดวันหนึ่งด้วยเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าไม่ใช่เรื่องเงินถ้าไม่ใช่เรื่องงานก็อาจจะเป็นเรื่องร่างกายก็ได้ร่างกายเดี๋ยวมันอาจจะไม่สบายขึ้นมาก็ได้อาจจะไปประสบอุบัติเหตุทำให้ขาขาดแขนข า, ขาดขึ้นมาก็ได้เกิดมีความบุบพองทางร่างกายหรือถ้าไม่มีอุบัติเหตุอยู่ไปดีไปตลอดมันก็ต้องแก่ลงไปเรื่อยต่อไปมันก็จะไม่มีกาลังวังชา ที่จะไปหาความสุขอย่างที่เราหากันได้อยู่ในขณะนี้หรือเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยยิ่งแก่มากเท่าไรเดี๋ยวความเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆนี่คืออุปสรรคนี่คือปัญหาของการที่เรามาเกิดมามีร่างกายเพื่อที่จะใช้ร่างกายหาความสุขให้กับเรานมันจะต้องมีการเจออุปสรรคจะไม่สามารถ หาความสุขตามที่เราอยากได้ตอนนั้นเนะ่ยเราจะจ่แต่ความทุกข์เราจะหงุดหงิดําคาญใจเศร้าซ้อยหงอยเหงาว้าเ ว, วซึมเศร้ากันคนแก่คนที่ไม่สามารถไปเที่ยวที่ไหนได้อยู่บ้านคนเดียวเหงาก็เกิดอาการซึมเศร้าบางคนก็ถึงกับฆ่าตัวตายเพราะมันมันไม่สบีความสุขนั่นเอง นี่คือปัญหาของการที่เร า, เามาหาความสุขจากสิ่งต่างๆในโลกนี้ด้วยการมาเกิดด้วยการมามีร่างกายมันจะต้องมีวันหนึ่งที่เราจะไม่สามารถที่จะหาความสุขกันได้ตอนนั้นเราจะทุกข์มากจะเดือดร้อนมากแต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราจะโชคดี ่ชคดีตรงที่ว่ามีคนรู้จักวิธีหาความสุขแบบไม่สะดุดเราสามารถหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายแบบที่ไม่ต้องไปหาลาบยศสรรเสริญไม่ต้องไปหารูปเสียงกลิ่นรมีวิธีหาความสุขอีกแบบหนึง่งก็คือวิธีที่พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเรามาหากันถ้าเรายังใช้เงินหาความสุขเยอะก็เอาเงินไปทาบุญ ถ้าเราจะทำบาปเราก็เลิกทำบาปเสียแล้วใจเราจะสุขใจเราจะมีความสุขมีความสบายแล้วถ้าเรายังอยากไปเที่ยวอยู่ยังอยากไปหาความสุขทางตาหูจมกูกลิ้นกายอยู่เราก็มาหยุดมันมาทำใจให้สงบมาฝึกนั่งสมาธิกันถ้าเรานั่งสมาธิได้ใจเราสงบเราก็จะได้รับความสุขจากความสงบ ที่เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้จากการไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงไปทำอะไรต่างๆและเป็นความสุขที่เราสามารถควบคุมได้สามารถทำได้ทุกเวลาเพราะการทำใจให้สงบนี้ไม่ต้องใช้เงินทองไม่ต้องใช้ร่างกายร่างกายแก่ก็ทำได้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทำได้ แม้แต่ร่างกายตายไปก็ยังทำได้เพราะใจไม่ได้ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมืออันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราควรที่จะมาศึกษากันมาทำกันเพราะเราจะได้ความสุขที่มั่นคงความสุขที่แน่นอนความสุขที่ถาวรที่จะทำให้เราไม่ต้องมาพึ่งร่างกายอีกต่อไปทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิด กันอยู่เรื่อยๆพอมาเกิดกันแต่ละครั้งก็ต้องมาวุ่นวายกับเรื่องเลี้ยงดูร่างกายแล้วก็ต้องมาวุ่นวายกับการหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราหาได้เท่าไหร่ก็หมดไปความเป็นความสุขแบบควันไฟความสุขเดียวๆไปเที่ยวก็มีความสุขพอกลับมาบ้านความสุขจากการไปเที่ยวก็หายไปหมดไปต้องออกไปเที่ยวใหม่ถึงจะได้ความสุขใหม่ เที่ยวเท่าไรก็เหมือนกันพอกลับมาบ้านก็หายไปหมดแล้วเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็จะเที่ยวไม่ได้เพราะร่างกายมันจะต้องแก่ต้องเจ็บอหรือไม่มีเงินทองจะเที่ยวเราก็จะต้องเจอความทุกข์ในที่สุดนีความทุกข์ไม่พน้นถ้าเราใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขกันถ้าเราอยากจะมีความสุขแบบไม่มีความทุกข์เราต้องมาใช้การหยุดความอยากกัน หยุดความอยากแล้วใจของเราจะมีความสุขใจของเราจะสงบเวลาไม่มีความอยากพอไม่มีความอยากใจสงบก็จะเกิดความสุขขึ้นมาในเบื้องต้นก็ใช้การทำบุญถ้าเราอยากจะเอาเงินไปใช้ตามความอยากก็เอาเงินไปทำบุญแทนเราก็จะได้ความสุขในระดับแรกถ้าไม่มีเงิน เราอยากจะไปหาเงินด้วยการขโมยก็อย่าไปหาอย่าไปขโมยอย่าไปทำบาปพอเราไม่ทำบาปใจเราก็จะไม่วุ่นวายใจเราก็จะสงบก็มีความสุขได้ระดับหนึ่งแล้วถ้าเราอยากจะให้มันสุขแบบเต็มที่เราก็มาฝึกสมาธิกันมานั่งสมาธิมาควบคุมใจหยุดความคิดหยุดความอยากพอใจเราหยุดคิดความอยากมันก็จะหายไป พอความอยากหายไปความสงบก็จะโผล่ขึ้นมาความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งปวงก็จะโผล่ขึ้นมาความสุขที่เกิดจากความสงบนี่พอเราได้ความสุขจากความสงบแล้วเราก็จะไม่ต้องไปหาความสุขแบบอื่นอีกต่อไปไม่ต้องไปหาเงินหาทองไม่ต้องไปหาข้าวหาของไม่ต้องไปเที่ยวที่นั่นเที่ยวที่นี่ไม่ต้องไปซื้อสิ่งนั้นสิ่งนี้ พรอยากจะได้ความสุขก็นั่งหลับตาควบคุมใจให้สงบไม่คิดอะไรเท่านั้นก็ได้ความสุขแล้วแล้วทําได้ทุกเวลาทุกนาทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนร่างกายจะเป็นอะไรหรือไม่เป็นอะไรก็ไม่มีปัญหาแล้วจะทําให้เราไม่ต้องมามีร่างกายอีกต่อไปพอ ร, ร่างกายอันนี้ตายไปก็ไม่ต้องไปเกิดใหม่ไม่ต้องไปแก่ไปเจ็บไปตายใหม่ นี่คือวิธีที่พระพุทธเจ้าได้ส่งคนพบเนะีแล้วก็เอามาสั่งสอนพวกเราพวกที่มีศรัทธาก็เอาไปปฏิบัติพอปฏิบัติก็ได้รับผลพอได้รับผลก็มาเผยแผ่มาบอกคนอื่นต่อจึงทำให้มีพระพุทธศาสนาอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ก็เพราะว่ามีการถ่ายทอดความรู้อันนี้ถ่ายทอดวิชาความรู้ ที่แท้ความสุขที่แท้จริงว่าทำยังไงจะมีความสุขแบบไม่มีความทุกข์พวกเราตอนนี้มีแต่ความสุขที่มีความทุกข์ตามมาความสุขที่มีความวิตกกังวลหวาดกลัวตามมาถ้าได้ความสุขแบบของพระพุทธเจ้าแล้วจะไม่มีความวิตกกังวลหวาดกลัวไม่มีความทุกข์ตามมานี่คือเรื่องของจิตใจ ที่พวกเราไม่รู้กันเราต้องอาศัยพระพุทธศาสนาเป็นผู้ที่เป็นผู้สอนผู้บอกเราตอนนี้เราเราได้มีโอกาสได้ฟังได้รู้แล้วสิ่งที่เราต้องทำต่อไปก็คือต้องไปทดลองปฏิบัติดูต้องทำดูพยายามหาเวลามานั่งสมาธิให้ได้แต่ก่อนจะนั่งสมาธิได้เหมือนต้องหยุดทำบาปให้ได้ก่อน ต้องทําบุญให้ได้ก่อนเพราะถ้าไม่ทําบุญไม่ได้แล้วหยุดทําบาปไม่ได้มันจะไม่มีกําลังที่จะมานั่งสมาธิได้เราต้องเริ่มจากระดับ อ, อนุบาลก่อนระดับอนุบาลก็หยุดใช้เงินตามความอยากก่อนเอาเงินไปทําบุญสองหยุดหาเงินด้วยการทําบาปอย่าไปทําบาปอยากได้เงินก็อย่าไปทําบาปหาเงินโดวยวิธีที่ไม่ต้องทําบาป ถ้าไม่จําเป็นจะ ต, ต้องถ้าหยุดใช้เงินตามความอยากได้ก็ไม่ต้องหาเงินมากหาเงินพอที่จะมาใช้กับความจําเป็นก็คือมาใช้กับปัจจัยสี่คืออาหารเครื่องนึ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคแต่ไม่ต้องมีเงินไปเที่ยวไม่ต้องมีเงินไปซื้อกระเป๋ารองเท้ามากมายมีคู่สองคู่ก็พอแล้วมีชุดสองชุดก็อยู่ได้แล้ว ว่มีเท่าที่จำเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่ต้องดิ้นรนหาเงินมากเมื่อไม่ต้องหาเงินมากโอกาสที่จะต้องไปทำบาปก็ไม่มีเมื่อเรามีกำลังที่จะไม่ทำบาปแล้วหยุดความหยุดความอยากในการทำบาปได้เราจะมีกำลังไปฝึกสมาธิได้ไปอยู่วัดได้เพราะการฝึกสมาธิต้องไปหาที่เงี ย, งยบๆอยู่ตามวัดป่าวัดเขา ไปควบคุมความคิดหยุดความคิดด้วยการใช้สติบังคับอย่าให้ใจคิดให้คิดแต่เรื่องเดียวเช่นให้คิดกับพุทโธพุทโธเรียกว่าบริกรรมพุทโธพุทโธไปถ้าเราควบคุมใจให้คิดแต่พุทโธพุทโธได้เราก็จะเลิกคิดถึงลาบยศจลเสริญเลิกคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสได้พอเราไม่คิดความอยากมันก็จะไม่เกิดพอนั่งสมาธิใจแล้วก็จะนิ่ง นี่งแล้วก็เกิดความสุขสุขที่ดีกว่าการไปเที่ยวสุขที่ดีกว่าการได้ซื้อของตามความอยากต่างๆมันก็จะทำให้เราเลิก เ, เลิกการหาความสุขแบบเก่าได้แล้วเราก็จะมาหาความสุขแบบใหม่ต่อไปก็จะอยู่วัดไปได้นานอยู่ไปเรื่อย เอาะจะไม่อยากออกไปอยู่วัดเป็นแสนจะสบายนั่งหลับตาพุโทโธพุโทโธมันก็มีความสุขนะไม่ต้องไปดุ้นวายกับการหาเงินหาทองไม่ต้องวุ่นวายไปกับการไปซื้อข้าวซื้อของซื้อมาได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอไปเที่ยวมากี่ครั้งเกินกี่แห่งก็ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอแล้วพอไม่ได้เที่ยวไม่ได้ซื้อของก็งดหิริลคาญใจ เราควรที่จะมาเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันเล้กหาความสุขแบบเก่าแล้วลองมาหาความสุขแบบใหม่อยู่บ้า น, นเวลาว่างก็ลองหัดนั่งสมาธิดูเอาทีละครึ่งชั่วโมงก่อนก็ได้ก่อนนอนหรือตื่นนอนขึ้นมาตอนเช้าตื่นขึ้นมาแล้ว ก, ก็นั่งหลับตาดูลมหายใจหรือพุโทโธพุโทโธไปเราจะได้พบกับความสุขในรูปแบบใหม่ พอได้พบกับความสุขที่ดีกว่าเราก็จะเลิกหาความสุขที่ที่เร็วกว่าได้แล้วต่อไปเราก็ไม่ต้องดิ้นหลนไม่ต้องหาเงินหาทองไม่ต้อง ไปเที่ยวไม่ต้องไปซื้อข้าวซื้อของอยากจะมีความสุขก็นั่งหลับตาพุโทโธพุโทโธไปหรือดูลมหายใจไปเราก็ถึงเราก็ได้รับความสุขแล้วไม่ต้องไปหาเพื่อนคนนั้นหาเพื่อนคนนี้ไปเที่ยวกันไปหาเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนเขาไม่ไปด้วยก็เสียใจอีกไม่ได้ความสุขอีก ถ้าเรารู้จักวิธีนั่งสมาธิทาใจให้สงบแล้วเราไม่ต้องมีเพื่อนไม่ต้องมีใครอยู่คนเดียวได้อยู่ที่ไหนก็ได้ไม่เดือดร้อนนี่คือเรื่องของอาหารของใจคือทำมาถ้ามีทานมีศีลมีการนั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วใจเราจะมีความสุขมีความอิ่มตลอดเวลาก็ขอให้ลองเอาไปทำดู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 เปตานังอุปการปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะราโสยท้ามณิโชติระโสยท้าสัพพิติโยวิวัชจันโตสัพพารุโควินาสตุ มาเตภวะตวันตาลาโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวะธนสีฤทธานิจังอุทธาปัจจายโนจตารูธรรมวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลัง ใครอยากได้หนังสือซีดีก็เอาไปได้นะเอาไป <c oughs> ถ้าจะเอาไปก็ต้องไปฟังไปอ่านนะถ้าจะาไปบูชาไปวางไว้เฉยๆก็อย่าเอาไปดีกว่าเอาหนังสือมีไว้อ่านซีดีมีไว้ให้ฟัง <c oughs> เพื่อจะได้รู้จักวิธีหาความสุขที่ถูกต้องที่ไม่มีโทษตามมาวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ครับวันนี้ทางเฟ e บุ o k เข้ามาสามร้อยเก้าสิบสอง YouTube หนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดทางวิทยุออนไลน์วันนี้มีปัญหาโปรแกรมครับใช้ไม่ได้ครับแล้วก็อยู่ข้างบนเขานี้หกสิบสองคนรวมทั้งหมดเป็นหกร้อยสิบห้าครับมีใครอยากจะถามอะไรก็ถามได้นะช่วงนี้เป็นช่วงถามตอบปัญหามีความสงสัยไม่เข้าใจ อยากจะให้ชี้แจงคำถามบางอย่างนี่เราสามารถถามผ่านทาง Google ได้ถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องถามทฤษฎีนี่เช่นอยากจะรู้ธรรมะหัวข้อไหนนี่ถามทาง Google จะยังง่ายกว่าแต่ถ้าอยากจะถามเรื่องวิธีการปฏิบัตินี่ก็ถามที่นี่ได้เพราะบางทีใน Google เขาไม่อธิบาย รายละเอียดเรื่องของการปฏิบัติแต่เรื่องเรื่องเรื่องข้อความนี่ถาม Google เขารู้อยากจะรู้ธรรมะแบบไหนเนี่ยถาม Google จะได้ได้ครอบคำตอบที่ชัดเจนกว่าอยากจะถามอะไรไหมเดี๋ยวเอาไมโครโฟนไปหน่อยกราบขอขอันกราบขอโอกาสค่ะ อยากจะได้กุศโลบายเรื่องให้มีความขยันมีขันติอดทนปฏิบัติมากขึ้นนะคะก็ส่วนหนึ่งก็อยู่ที่การระลึกถึงความตายถ้เาเราเลียกว่าเราจะต้องตายไม่ช้าก็เร็วมันก็จะทำให้เรามีความกระตือรือร้นที่จะพยายามปฏิบัติ ส่วนความสันติอดทนก็ใหร้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างคนเราจะปีนเขาถึงยอดเขาได้มันก็ต้องมีความความเพียรพยายามมีความอดทนเอถ้ามีแต่ความอยากแต่ไม่มีความเพียรความอดทนก็ไปไม่ได้อยังไกงคิดถึงคนที่เขาไปถึงยอดเขาแล้วว่าเขาไปอย่างไร พอเห็นเข้าไปได้เราก็จะทำให้เรามีกำลังที่จะพึดสู้ขึ้นมาการระลึกถึงความตายจะทำให้เราไม่ประมาานอนใจจะทำให้เรากระตือรือร้นเพราะเราไม่รู้ว่าเวลาที่เรามีอยู่นี้มันจะมีมากมีน้อยนะมันระลึกถึงความตายเรื่อยๆแล้วความขี้เกียจด้วยความอยากที่จะไปทำอย่างอื่นมันก็จะหายไปเพราะ ทำอะไรมาพอตายไปก็หายไปหมดเสียไปหมดซ่้อไปปฏิบัติทำดีกว่าตายไปทำที่เราปฏิบัติก็จะไปกับเราอยู่กับเราถามต่อสาตุนิมนต์พระคุณเจ้าอาจารย์คือว่าปฏิบัตินี้จะรู้แจ้งเหตุจริงเมื่อไรครับจะใช้เวลานานไหมครับ อ, อชาวชาเร็วอยู่ที่ อยู่ที่ความสามารถของแต่ละคนบางคนพระพุทธเจ้าพูดคาเดียวก็รู้แจ้งเห็น <laughs> จริงขึ้นมาบางคนอยู่พระพุทธเจ้าเป็นสิบสิบปี <laughs> ก็ยังไม่เห็น <laughs> มันไม่ได้แต่ละคนมันอยู่ที่ว่ามีความฉลาดเฉลียวมากน้อยต่างกันฟังแล้วเข้าใจหรือไม่เข้าใจ <laughs> ทำได้หรือทำไม่ได้โอเคก็ต้องพยายามหัดฟังอยู่เรื่อย ฟังแล้วเข้าใจก็จะนำเอาไปกร ะ, กระทำต่อจะทำได้เดร็วลุชาก็อยู่ที่ว่าความพยายามมีมากมีน้อยทางนี้มีใครอยากถามไหมให้มีนะน้ำมศการนะเจ้าคะพูดใกล้ปากหน่อยพูดใกล้ๆปากหน่อยน้มศการนะเจ้าคะอยากทราบว่าทำไม อนโน่เวลานอนหลับเหมือนสัมผัสได้เหมือนมือเหมือนสัมผัสได้ข้างหลังน ะ, ะ้าค่ะนะสัมผัสอะไรนะสัมผัสแบบเหมือนมีคนมาแตะดวงจิตข้างหลังก็จิตเรานะไปมันไปคิดเองมันไปปรุงแต่งขึ้นมาเอง เ, อเวลานอนหลับเราไม่มีสติจิตมันก็เลยเาสามารถที่จะปรุงแต่งอะไรต่างๆขึ้นมาให้เรารู้สึกว่ามีนู่นมีนี่ก็ได้ค่ะ แค่ไม่ต้องไปกังวลมันให้รู้เฉยๆว่ามันเป็นการปรุงแต่งของจิตพอเรามีสติปั๊บมันก็จะหายไปพอเราตื่นขึ้นมามันก็หายไปตอนที่เรานอนหลับไม่มีสติจิตนั่นก็เลยเล่นกลเล่นหลอกเร า, าปรุงแต่งอะไรต่างๆมาหลอกเราค่เรารู้ทันมันรู้ว่ามันแค่เป็นความคิดปรุงแต่งของจิตไม่มีอะไรหรอกในโลกนี้ มาสักนะการเจ้าค่ะอยากทราบว่าจะทํำยังไงถึงจะระงับอารมณ์โกรธแล้วก็ความทุกข์ความร้อนใจได้เจ้าค่ะเอ่อความโกรธความน้อยใจมันเกิดจากความอยากอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากให้คนนั้นคนนี้ทําอย่างนั้นทําอย่างนี้เราก็ไม่ทําเราก็โกรธหรือน้อยใจเสียใจยิ่งน่ะทำใจเรายินดีตามมีตามเกิด อย่าไปหวังอะไรจากใครล้วเราจะไม่น้อยใจจะไม่เสียใจจะไม่โกรธใครพยายามทําใจให้เราอยากจะได้อะไรก็หาของเราเองหาได้ก็ดีหาไม่ได้ก็แล้วไปถ้าหาไม่ได้ก็มานั่งสมาธิก็ได้นั่งสมาธิทําใจให้สงบแล้วจะได้ของดีกว่าจะได้ของดีกว่าได้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ อย่าไปอยากมากโลคมากมันก็จะทำให้เราโกรธมากเสียใจมากโลคน้อยก็จะโกรธน้อยเสียใจน้อยไม่โลยก็ไม่โกรธเลยไม่เสียใจเลยค่ะกับขอโอกาสค่ะท่าน อ, อ, อยากจะรักษาสติระหว่างวันให้ได้ค่ะเช่นในระหว่างทำงาน ระหว่างนอนระหว่างกินอย่างเงี้ยค่ะท่านก็ต้องบังคับให้เราอยู่กับกิจกรรมที่เรากำลังทำอยู่ในขณะนั้นกำลังกินก็ให้อยู่กับการกินอย่างเดียวอย่า ก, กินไปคิดกับเรื่องงานเรื่องการไปให้คิดอยู่กับเรื่องกินอย่างเดียวกำลังตักอาหารก็ให้คิดว่าเรากำลังตักอาหารกำลัง เอาหารเข้าปากก็ให้ให้คิดว่าเรากำลังเอาหารเข้าปากเวลาเคี้ยวก็ให้รู้ว่าเรากำลังเคี้ยวเวลากลืนก็ให้เรารู้ว่าเรากำลังกลืนให้อยู่กับกิจกรรมที่เราทำอยู่ทุกกิิยาบททุกขณะจิตจิตก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้เพื่อจิตอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งต่อเนื่องก็เรียกว่ามีสติควบคุมความคิดได้สั่งความหยุดความคิดได้ เนม่ว่าจะทำอะไรก็ให้มีสติอยู่กับงานที่เราทำอยู่ในปัจจุบันในขณะนั้นยิ่งถ้าได้งานที่แบบไม่ต้องใช้ความคิดได้ยิ่งดีเพราะถ้ายังต้องใช้ความคิดอยู่จิตก็ยังจะไม่นิ่งไม่สงบถ้าถ้าเป็นไปได้ก็เวลาไม่ต้องทำงานก็ฝึกสติแบบไม่ต้องใช้ความคิด งานที่เราทําที่ไม่ต้องใช้ความคิดเช่นเดินไปเดินมาเดินจงกรมนี่ไม่ต้องใช้ความคิดหรืองานจําเป็นเช่นขัดบ้านถูบ้านเชดบ้านซักผ้าทํากับข้าวอะไรนี้มันก็ไม่ต้องใช้ความคิดมาแต่ต้องให้อยู่กับงานที่เราทําอยู่ในขณะนั้นอย่าทําอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องอื่นดึงกลับมาให้อยู่กับงานที่เราทําอยู่นี่สแสดงเรียกว่าเป็นการสร้างสติขึ้นมา ถ้าเราสามารถควบคุมใจให้อยู่กับงานได้อยู่ภายใต้คำสั่งของเราได้ก็แสดงว่าเรามีสติพยายามทำไปขอบพระคุณค่ะอยากจะถามหรือเปล่าไม่ไม่น ะ, ะ, ะคำถามจาก Facebook นะครับคุณวรคุณขอโอกาสครับกระผมไม่ได้นั่งสมาธิตลอด แต่อศัยให้จิตอยู่กับความว่างไม่ให้นึกคิดฟุ้งซ่านเป็นการปฏิบัติไหมครับเป็นถ้าเราควบคุมจิตให้อยู่กับความว่างได้ก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติระดับหนึ่ง <c oughs> แต่ยังไม่ถึงระดับที่เต็มที่ถ้าเต็มที่เราต้องให้จิตนิ่งเลยไม่ให้รับรู้อะไรให้จิตรวมเป็นหนึ่งให้แยกออกจากร่างกายชั่วคราวคือให้จิตรวมเป็นสมาธิ อย่างนี้ต้องอาศัยการนั่งหลับตาแล้วก็เพ่งอยู่กับลมหายใจเข้าออกหรือพุโทโธพุทโธไปอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวจิตก็จะรวมรวมแล้วจะมีพลังจะมีอุเบกขาจะต่อต้านต่อสู้กับกิเลสตัณหาได้ถ้ายังไม่รวมนี้กำลังยังไม่พอเวลาความอยากมากๆจะสู้มันไม่ได้จะหยุดมันไม่ได้ คำถามจากคุณปราณีอารมณ์โกรธมาจากไหนคะความเครียดไม่ดีอย่างไรจะทำให้ความโกรธและความเครียดหายไปหมดสิ้นได้หรือไม่คะก็เพิ่งตอบไปว่าความโกรธมาจากความอยากอยากอะไรแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็โกรธ ถ, ถ้าเวลาไม่มีความอยากจะไม่โกรธใครใช่ั้ยจะโกรธก็ต่อเมื่ออยากให้เขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เราก็ไม่ทำเราก็โกรธขึ้นมา งั้ความโกรธเป็นผลที่เกิดจากการที่ไม่ได้ทําไม่ได้อะไรดังใจอยากถ้าไม่อยากจะโกรธก็อย่าไปอยากพยายามฝึกใจให้ยินดีตามมีตามเกิดเขาทําอย่างไรก็โอเคเขาทําอย่างนี้ก็ได้ทําอย่างนั้นก็ได้อย่างนี้เราก็จะไม่โกรธเขาความเครียดก็มาก็เป็นผลที่เกิดจากความโกรธความอยากนี่แหละถึงทําให้เราเครียดกัน ถ้าเราหยุดความอยากได้ใจจะหายเครียดถ้าเรานั่งสมาธิได้เราจะหยุดความอยากได้ชั่วคราวพอความอยากหยุดไปชั่วคราวความเครียดต่างๆก็หายไปหมดใจก็จะเบาจะมีความสุขมีความสบายใจคำถามจากคุณกบอยากกลาบเรียนถามเรื่องการบนบาลสารกล่าวกับสิ่งศัพดิ์สิทธิ์ต่างๆ ว่าถ้าแก้บนกับไม่แก้บนในความเป็นจริงคืออย่างไรครับมีจริงไหมครับความเป็นจริงการบุญบานไม่มีจริงหรอกถ้าบุญบานมีจริงก็ไม่ต้องทำมาหากินกันนะไปนั่งบุญบานกันอยากได้อะไรก็ไปบุญบานกันนะเพราเรื่องบุญบานนี้มันเป็นไม่ใช่เรื่องจริงถ้าได้ก็เป็นเรื่องเหตุบังเอิญมันจะได้อยู่แล้ว จะบุนบาลหรือไม่บุญบานมันก็ได้เอถ้าไม่ได้มันก็ไม่ได้อันนี้มันไม่การจะได้อะไรมันไม่ได้อยู่ที่การบุญบาลอยู่ที่เหตุอย่างอื่นคือการกระทำํำออยากจะเรียนจบก็ต้องเรียนหนังสือไปโรงเรียนเรียนไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จบะแต่ถ้ามาบุนบาลขอให้เรียนจบแล้วไม่ไปโรงเรียนเรียนยังไงก็ไม่มีวันจบอันนี้ข้อที่หนึ่งเรืร่องบุบาลไม่มีไม่เป็นความจริงข้อที่สองถ้าเรายังเชื่อว่าเป็นความจริงอยู่ แล้วเราไปบุญบานแล้วเราจะต้องแก้บุญอันนี้เราต้องแก้เพราะอะไรเพราะเราไปตั้งสัจจะเอาไว้เหมือนเราไปทําสัญญากับคนใดคนหนึ่งเมื่อเราทําสัญญากับเขาแล้วเราก็ต้องไม่บิดพิ้วเราต้องรักษาสัจจะถ้าไม่เช่นนั้นเราจะเป็นโกคนโกหกหลอกลวงไปถ้าไปบ่นว่าขอานั่นขอนีอน่พอได้แล้วบอกจะไปบวชเจ็ดวันก็ต้องไปบวชเจ็ดวัน อันนี้ก็อยู่ขึ้นอยู่ที่ว่าเราเวลาตั้งคํามั่นสัญญาว่าเราจะแก้บนแบบไหนเจ็ดวันเจ็ดวันนี้บางคนถามว่าขอผ่อนส่งได้ไหมไปบวชอาทิตย์ละวันได้ไหมก็ <c oughs> แล้วแต่คุณตั้งสัจจะไว้งไงคุณก็ว่าไปตามที่คุณตั้งสัจจะถ้าคุณบอกว่าขอบวชเจ็ดวันโดยที่ไม่ได้บอกอวิธีบวชเจ็ดวันว่าบวชแบบไหนะจะบวชอาทิตย์ละวันก็ได้ บวชพาม์ก็ได้บวชอะไรก็แล้วแต่เราจะบวชแบบไหนอันนี้ก็อยู่ที่เวลาเราบุญบานบวชนะเราอย่าบิดเพลียวเพราะมันจะทําให้เราเป็นคนนิสัยไม่ดีคนโกหกหลอกลวงให้เรารักษาสัจจะไว้แต่ไม่ได้บุญบานแก้บุญเพราะว่าเราได้เพราะเพราะว่าการบุญบานนี่มีจริงไม่ใช่อันนี้ให้ให้ทำเพราะว่าเมื่อเรายังเชื่อว่ามันมีจริงอยู่ ทั้งทั้งที่มันไม่จริงแต่เมื่อมันเราได้สิ่งที่เราอยากได้แล้วเราก็ต้องไปก้าบนตามที่เราได้ตั้งสัจจะเอาไว้คําถามจากคุณนิพิตาเรียนถามพระอาจารย์ว่ามีเพื่อนคนหนึ่งเขาชอบศึกษาธรรมะแต่เป็นแบบท่องจําจําพระสูตรบ้างพระไตรปิฎกบ้างแต่เขาไม่ได้ปฏิบัติไม่สวดมนต์ไม่นั่งสมาธิ แต่ชอบมาตําหนิเราว่ามัวแต่ไปคลัง่งครูบาอาจารย์มันช้ามันเพ้อเจอ้อทุกวันนี้เลยคอยหลบๆไม่อยากเจอเขาแต่ก็ไม่รู้จะช่วยเขาอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์พอจะมีวิธีให้เขาหันมาปฏิบัติให้มากไหมเจ้าคะมันก็อยู่ที่ตัวเขาแหละตัวเขาคิดว่าเขาทําเท่านี้พอเพียงมันก็ต้องปล่อยเขาไป เราทำได้ก็เพียงแต่คอยชวนเขาถ้าเขาฟังก็ดีไปถ้าเขาไม่ฟังก็ก็ต้องปล่อยเขาไปตามเรื่องของเขาเหมือนพระพุทธเจ้าก็เคยเตือนพระรูปหนึ่งชื่อพระโปธิรัตเนี่ยพระโปธิรัตนี่ก็เป็นพระบวชมาหลายสิบปันศาท่องท่องจำคำสอนของพพุทธเจ้าได้เยอะแยะไปหมดแต่เวลาพระพุทธเจ้าเจอ พระโพธิลทิไลพระพุทธเจ้าบอกโพธิรัลเธอนี่ใบลานเปล่าเอคือมีความรู้ในใบลานที่ไม่เป็นประโยชน์เอใบลานเปล่าเจอาทิไลก็ใบลานเปล่าพอพูดบ่อยๆเข้าเลยทําให้เขาเริ่มคิดขึ้นมาว่าพระพุทธเจ้านี้ท่านหมายถึงอะไรหมายถึงว่าอ๋อความรู้ที่เรารู้นี้มันยังเป็นความรู้ที่เปล่าประโยชน์เอ ถ้าอยากได้ประโยชน์ต้องไปปฏิบัติเอาความรู้ที่เราได้เรียนรู้ไปปฏิบัติท่านก็เลยตัดสินใจไปหาพระอรหันต์ไปหาสำนักที่มีแต่พระอรหันต์เพื่อจะขอศึกษาจากท่านเหล่านั้นไปหาแต่ละรูปตั้งแต่เจ้าอาวาสลงมาตั้งแต่หัวหน้าลงมาท่านก็มีปรรณาน้อยกว่าพระโปธิรัสกันท่านก็เลยไม่กล้าสอนสอนพระผู้ใหญ่ท่านก็ปฏิเสธไป จากองค์ที่หนึ่งก็ไปขอองค์ที่สององค์ที่สองก็ปฏิเสธไปจนถึงสัมมเนนสมมเนนก็เป็นพระอาหารหันต์พอสัมมเนนเห็นพระผู้ใหญ่ปฏิเสธสมมเนนก็ไม่กล้ารับเยก็ปฏิเสธพอจะปฏิเสธพระหัวหน้าก็บอกสัมมเนนไม่ไม่เมตตาสงเคราะห์ท่านเหลอพอพระผู้ใหญ่ท่าน อ, า อ, าออกอุบายให้สมมเนนก็เลยรับไปเป็นลูกศิษย์น พระปุถุตก็ไม่ลังเกียจที่จะเรียนจากสัมมาเนนเพราะมีความศรัทธาเชื่อว่าสัมมาเนนก็เป็นพระอราหันต์เป็นผู้ที่ได้บรรลุแล้วก็ยอมเป็นลูกศิษย์นี่สมมาเนนก่อนจะก่อนจะรู้ว่าพระปุถุตนี่มีความศรัทธาอย่างแท้จริงหรือไม่ก็ต้องมีการทดสอบด้ทดสอบก็คือใช้ให้ทํางานต่างๆ ดูว่าจะยอมทำตามที่สั่งหรือเปล่าใช้ให้กวาดถูกุฏิใช้ให้ล้างบาศใช้ให้สักจีวรพระพระโพธิลัทธ์ก็ถือว่าตนเองเป็นลูกศิษย์เป็นนักเรียนอาจารย์สั่งให้ทำอะไรก็ต้องทำตามที่อาจารย์สั่งก็ยอมทำทุกอย่างแม้สมณนแกล้งบอกให้ดูยลงไปในน้ำให้ไปหยิบของพอลงไปครึ่งตัว ยังไม่ได้หยิบของสมณเณรก็ไม่ต้องเปลี่ยนใจพระปุเทลัสก็ไม่ถือสาไม่โกรธค้างโกรธเคืองอะไรพอสมณเณรเห็นว่าเชื่อฟังอย่างเต็มที่สมณเณรก็สอนสอนวิธีจับ ก, กิเลสฆ่ากิเลสพอสอนแล้วพอท่านเอาไปปฏิบัติท่านก็บรรลุขึ้นมาทันทีอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คนอื่นจะบอกคนอื่นได้ก็เพียงแต่ บอกเขาเป็นการแนะนำ well ํำท NO ่านว่าแต่ไม่ไปปฏิบัติบ้างเน้อแต่ทั้งตำราเปล่าๆหรือลองบอกเพื่อนว่าลองไปอ่านเรื่องพระโปธิรละดูพระโปธิรัลยโปธิละมีอยู่ในพระไตรปิฎกสละโอปปปาทอททหารหรือทอทงสละอิลลลลิงสละอโปธิละโปธิละก็จะมีเรื่องของพระโปธิละให้เราได้ฟัง ก็ลองบอกเพื่อนดูเวลาเจอเพื่อนก็บอกเธอเป็นใบล า, านเปล่าใบล า, านเปล่าดูที่ว่าเขาจะฟังไม่ฟังถ้าเขามีทิฏฐิเขามีการถือตัวเขาอาจจะเขาอาจจะว่าเราหรือไม่ไ ม, ไม่ไม่ฟังเราก็ได้ถ้าเขาไม่ยินดีที่จะฟังการแนะนําของเราเราก็ต้องหยุดไปอย่าทําให้โกรธกันเกลียดกันโดยใช่เหตุไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะเป้าหมายของเราไม่ต้องการที่จะไปทะเลาะกับเขา วัตถหมายของเราต้องการจะให้สติให้ปัญญากับเขาแต่ถ้าเขายังไม่พร้อมที่จะรับก็ต้องถือว่ายังไม่ใช่เวลาของเรากันต้องรักษาความเป็นมิตรกันไว้ต่อไปคําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามกราบเรียนพระอาจารย์ลูกตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อไปบวชชีไม่มีกําหนดศึกเพราะมีความปรารถนาที่จะปฏิบัติจนบรรลุ ให้พ้นออกจากการเวียนว่ายตายเกิดหลวงพ่อกรุณาให้คำสอนกับลูกเพื่อเอาไว้ฝึกตนเองในระหว่างบทชีได้ไหมเจ้าคะ่ะก็ต้องไปหาสานักที่มีการปฏิบัติอย่างเข้มข้นไปหาสนักที่มีหัวหน้าที่มีความรู้ความสามารถที่จะให้วิชาความรู้กับเราอันนี้เป็นจุดสําคัญในการที่จะไปไปปฏิบัติ ต้องมีสถานที่ที่สงบสงัดที่เอื้อต่อการปฏิบัติคือไม่ทํากิจกรรมอย่างอื่นไม่มีงานอย่างอื่นต้องทํามีแต่งานภาวนามีแต่งานฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ผู้สอนก็ต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมที่มีท่าบรรลุทําได้ยิ่งดีจะได้ไม่หลงทางเพราะว่าถ้าเป็น ไปศึกษากับผู้ที่ยังไม่รู้บรรลุธรรมถึงแม้จะรู้ธรรมก็ยังเป็นธรรมที่ยังไม่ใช่เป็นธรรมแท้ก็ยังเหมือนกับไปเรียนจากคนตาบอดคนตาบอดไปเรียนกับคนตาบอดมันก็ไปไม่ถึงไหนต้องไปเรียนกับคนตาดีคนตาดีคือผู้บรรลุธรรมผู้ศึกษาแล้วปฏิบัติแล้วจนปรากฏมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเห็นอริยรรสัจสี่ขึ้นมาในใจ ผูนั้นแหละจะเป็นผู้ที่จะสอนเราได้พาเราไปสู่ธรรมที่สูงต่อไปได้แล้วตัวตัวเราเราก็ต้องมีความเข้มงวดกดขันเราต้องสำรวมสำรวมตาหูจมูกเิ้นกายส ำ, สำรวมกายวาจาใจให้อยู่ในความสงบให้อยู่ในทางเดินจมกรมกับการนั่งสมาธิเป็นหลักอย่าปล่อยให้ถูกถูก สิ่งนั้นสิ่งนี้เหตุการณ์เหตุการณ์ ต, รณต่างๆม า, าหลอกให้เราไปทำกิจกรรมที่เราไม่ควรจะกระทำเราต้องควบคุมใจเราควบคุมตัวเราให้อยู่ในแนวทางของการปฏิบัติเพลงอย่างเดียวไม่ต้องไปเกงใจใครพระพุทธเจ้าบอกให้เกงใจทมอย่าไปเกงใจคนอื่นถ้าเกงใจคนอื่นถ้าเขาลางเราไปทาเรื่องราวที่ไม่ใช่ทำแล้วเราจะเสียตัว ให้เราเก่งทำคือเคารบทำให้ทําตามคําสอนเพียงอย่างเดียวให้คือสรุปก็คือให้สุปฏิให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้เป็นสุปฏิปันโนมีแต่มีความเข้มข้นต่อการปฏิบัติธรรมกิจกรรมอย่างอื่นถ้าไม่จําเป็นจริงๆไม่คอขาดบาดตายจริงๆอยากไปทําคําถามจากครูแดงกราบเรียนถามพระอาจารย์ การที่เราเคารพการปฏิบัติและคำสอนของพระที่ปฏิบัติดีแต่ไม่มีโอกาสไปกราบท่านแต่ยึดคำสอนของท่านมาปฏิบัติจะถือว่าเราเป็นลูกศิษย์ได้หรือไม่ครับได้เพราะการบูชาการการบูชานี้ไม่ได้บูชาด้วยการไปกราบกันบูชาด้วยการปฏิบัติ ถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ถือว่าเราได้บูชาได้ปฏิได้บูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้บูชาครูบาอาจารย์แล้วดีกว่าที่เราไปกราบท่านแต่เราไม่ปฏิบัติกันไม่กราบเสร็จก็กลับไปเที่ยวกันไปดูทีวีไปกินขนมกันอย่างนี้อย่าไปกราบให้เสียเวลาดีกว่าแต่ถ้าเราไม่ได้ไปกราบอยู่บ้านเราก็เดินโยมกรมนั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรม อันนี้เนี่ยถือว่าเราได้ไปกราบแล้วเพราะเรากราบด้วยการปฏิบัตินพระพุทธเจ้าสอนให้เราบูชาด้วยการปฏิบัติบูชาไม่ต้องบูชาด้วยอามิสบูชาไม่ต้องเอาดอกไม้ทูบเทียนมากราบให้กราบด้วยการปฏิบัติบูชาคําถามจากคุณวันสุขมีความรู้สึกไม่สบายใจกังวลใจทุกข์ใจต้องแก้ไขอย่างไรคะ ก็หยุดมันสิหยุดด้วยการบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปความกังวลใจความทุกข์ใจเกิดจากความคิดปรุงแต่งของเราคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ก็อดที่จะวิตกก็ที่จะกังวลขึ้นมาไม่ได้พอเราหยุดความคิดได้ผลที่เกิดจากความคิดปรุงแต่งมันก็จะหายไปความวิตกความกังวลใจต่างๆก็จะหายไปลองทาดูสิลองบริกรรมพุโทโธ mm. พุโทโธไป อย่าหยุดสักห้านาทีสิบนาทีมันจะเบาขึ้นมาเลยใจจะโล่งขึ้นมาทันทีแต่มันไม่หายขาดก mm hmm. ารวิตกกังวลมันเกิดจากกิเลสตัณหาจะหายกาดต้องใช้ปัญญาในขั้นต่อไปเอาปัญญามากำจัดกิเลสตัณหาด้วยการมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราวิตกกังวลยังไงมันก็จะต้องเกิด ความแก่ความเจ็บความตายมันก็ต้องเกิดไปวิตกกังวลอย่างไงมันก็ต้องเกิดการพัดภาคจากกันมันก็ต้องเกิดไปวิตกกังวล ม, มันก็ไม่มันก็ไม่ได้ไปหยุห์การพัดภาคจากกาันไม่ได้ประยุ์การแก่การเจ็บการตายได้ถ้าเรายอมให้มันยอมรับความแก่ความเจ็บความตายยอมรับการพัดภาคจากกันได้ความวิตกกังวลมันก็จะหายไปะ oui? คำถามจากคุณใบาลานเปล่ากราบนมสักการพระอาจารย์ครับการนั่งสมาธิจะนั่งที่ไหนก็ได้แล้วจำเป็นต้องรักษาศีลเต็มทุกข้อหรือไม่ครับหากศีลห้าข้อรักษาได้ไม่หมดแล้วจะนั่งสมาธิได้หรือไม่แล้วการรับศีลจำเป็นต้องไปรับศีลที่วัดหรือไม่ครับ อศีลไม่ต้องนับที่วัดะศีลคือให้เรารู้ว่ามีอะไรที่ไปที่วัดเพราะเราไม่รู้เพื่อไปถามพระว่าศีลมีอะไรบ้างถ้าเรารู้แล้วก็ไม่ต้องไปที่วัดเดี๋ยวนี้วันเราอยู่ในกํำ ม, มือเราแล้วเนี่ยกูเกิลเนี่ยอยากจะรู้อะไรก็กดเข้าไปอ มันก็ขึ้นมาศีลห้ามีอะไรมันก็โผล่ขึ้นมาเป็นการรับศีล น, นี่อยู่ที่ความตั้งใจของเราตั้งใจว่าจะรักษาศีลก็ท่ากัเราได้รับศีลแล้วส่วนการรักษาศีลไม่หรือไม่กับการนั่งสมาธททิมีส่วนไหมถ้าเราไม่รักษาศีลเราก็จำหนึ่งจะไม่มีเวลามานั่งหรือมีเวลามานั่งก็นั่งแบบทุลักทุเลเช่นไปดื่มเหล้าเสร็จแล้วก็มานั่งอย่างนี้ หนึ่งเ ด, เดิมเ่าเดิมเหล้าเมาแล้วมานั่งสมาธิมันก็มันก็เมาโซเศสมันก็นั่งไม่ได้ยางการรักษาศีลมีส่วนเพราะมันจะทำให้เรามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ไม่มีเรื่องราววุ่นวายใจถ้าเราไม่ได้ดื่มสุราแต่เราไปทำบาปไปประพฤติผิดประเวณีเราก็จะมาวิตกกังวลว่าเอ๊ะเดี๋ยวเขาจะจับได้หรือเปล่าเดี๋ยวแฟนเราจะรู้หรือเปล่าว่าเราแอบไปมีชู้อย่างงี้ พอจะมานั่งสมาธิมันก็นั่งไม่ได้เพราะมันนัวแต่คิดเนี่ยกลับไปเรื่องที่เราไปทำผิดมาอย่างนั้นถ้าเราไม่ทำผิดเลยมันก็จะไม่มีเรื่องข้างๆข้า ง, ข, งขาใจพอจะมาทำสมาธิมันก็ง่ายกว่ า, านี่คือเรื่องของศีลช่วยกําจัดเรื่องราววุ่นวายใจต่างๆไม่ให้มารบกวนใจในขณะที่นั่งสมาธิคำถามจากคุณนง กราบนมัสการค่ะจะทำยังไงกับการปฏิบัติธรรมที่ต้องหลบหลบซ่อนซ่อนเพราะบางทีนั่งสมาธิฟังธรรมมักมีคนพูดว่าดิฉันค่ะว่าถูกว่า ก็ว่าก็ปล่อยเขาว่าไปผู้ปฏิบัติธรรมต้องใจต้องเป็นอูเบกขาต้องวางเฉยต้องไม่ไปมีอารมณ์กับรูปเสียงกิริยที่ได้เสพได้สัมผัสถ้ายังมีอารมณ์อยู่ก็เวลานั่งสมาธิเขามักจะนิยมไปนั่งที่คนเดียวเขาไม่ไปนั่งต่อหน้าสาธารณชนการปฏิบัติธรรมนี่เรามักจะปีกวิเวกกัน เพื่อจะได้ไม่มีอะไรมาลบกวนใจแล้วก็จะได้ไม่ต้องไปสร้างาปัญหากับคนอื่นคนอื่นบางทีเขาไม่เข้าใจเขาก็จะวิพากวิจารณ์เราไปต่างๆนนนะดัง น, นั้นโดยปกติแล้วนปฏิบัติจริงๆนี่เขาจะเขาจะปีกวิวกเวกเขาจะไม่ให้ใครรู้ว่าเขาปฏิบัติคำถามจากคุณภรีดากราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะ นั่งสมาธิมาถึงในช่วงที่รู้สึกถึงแสงสว่างจ้าเต็มหน้าควรจะปฏิบัติอย่างไรต่อคะสามารถเจริญปัญญาต่อได้เลยหรือให้บริกรรมพุทโธต่อไปบริกรรมพุทโธต่อไปถ้าจิตยังไม่ว่างยังไม่สงบยังไม่นิ่งแสงสว่างนี่ยังไม่ใช่เป็นผลที่เราต้องการเราต้องการใจที่นิ่งสงบไม่คิดปรุงแต่งเป็นอุเบกขา เ็ไปด้วยความเบาใจสบายใจถ้ายังบริกรรมพุโทโธได้ก็แสดงว่ายัางไม่นิ่งบริกรรมต่อไปคำถามจากคุณศิวาพรกราบน้ำมัสการเจ้าคะ่ะอยากขอสอบถามว่าถ้าป่วยมียาหลังอาหารต้องทานเป็นประจำทุกวันอยากจะไปถือศีลแปดบวชชีพราหมณ์ทำได้ไหมเจ้าคะ่ะ ก็ถ้าต้องรับประทานอาหารมันก็ทำไม่ได้ถ้าต้องรับประทานอาหารเย็นก็อาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วมันก็ถือศีลแปดไม่ได้ก็อาจจะถือศีลเจ็ดแต่มันก็ไม่สมบูรณ์ถ้ายัางต้องรักษาตัวอยู่ก็รักษาตัวไปก่อนคำถามจากคุณดวงสมรกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะ ตัวเรามีความรู้สึกตลอดว่าแม่ของเราทําผิดกับเราตลอดเราจะทําอย่างไรถึงจะขจัดความรู้สึกนี้ออกไปได้คะพยายามปล่อยวางและคิดแต่สิ่งดีๆที่แม่ทําให้แต่บ่อยครั้งที่ความรู้สึกนี้ก็กลับมาอีกก็ต้องรู้จักให้อภัยคือเราไปห้ามเขาไม่ได้เป็นอนัตตาเข้าใจไหม แม่เหล่านี้ก็เป็นเหมือนดินฟ้าอากาศเหมือนฝนเนี่ยฝนมันจะตกเราก็ห้ามมันไม่ได้มันจะตกก็ปล่อยมันตกไปเรามีร่มเราก็กางไปใจของเราเวลาโดนใครเขาทาอะไรไม่ดีกับเราเราก็ใช้ธรรมะมาสอนว่ามันเป็นวิบากของเราก็แล้วกันชาติก่อนเราอาจจะไปทําไม่ดีกับเขามา ชาตินี้เขาเลยต้องมาทำไม่ดีกับเรา อ, อันนี้ก็ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ให้นึกถึงบุญคุณนะของคนที่เขาก็ททำกับเราอะ่ะเขามีบุญคุณกับเรามากแม่นี้ให้กำเนิดกับเราถ้าไม่มีแม่เราก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้คิดทั้งสองอย่างคิดถึงบุญคุณแล้วคิดว่าเป็นเรื่องของแม่เขาเรื่องของกรรมของเราเราห้ามแม่เขาไม่ได้ที่เขาจะมาทาอะไรไม่ดีกับเรา แลให้คิดว่าเป็นวิบากกรรมของเราก็แล้วกันแล้วเราก็จะได้ทำใจได้คำถามจากคุณนาราทิพย์กราบนมัส ก, การเรียนถามครับนั่งสมาธิเมื่อสงบภายในใจจะมีคำถามว่าต้องทำอย่างไรต่อมันเป็นสภาวะว่างว่าง และพยายามจะรักษาความว่างไว้แต่มันก็เหมือนจิตถอยออกมาควรตั้งจิตไว้อย่างไรครับเม่อยู่ในสภาวะนีะ้ถ้ามันถอยออกมาก็ดันมันเข้าไปใหม่ใช้พุทโธดันมันเข้าไปใหม่หรือ ด, ด, ด, ดูลมหายใจเข้าไปใหม่ถ้าไม่มีกำลังก็ จ, จะต้องลุกขึ้นมาเดินจงกรมใหม่มาสร้างสติใหม่แสดงว่าสติเราหมดกำลังมีกาลังเท่านี้ยังไม่พอ ก็ต้องมาฝึกสติให้มากขึ้นพยายามสร้างสติไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวสักวันหนึ่งก็จะนั่งเข้าไปถึงจุดรวมของจิตได้คำถามจากคุณชานันกราบนมัสการหลวงพ่อครับผมอยากทราบว่าสิ่งลี้ลับต่างๆเช่นผีนรกสวรรค์มีจริงหรือเปล่าครับ ในเมื่อเราพิสูจน์ไม่ได้ตามหลักกาลามะสูตรเราก็ไม่ควรเชื่อไปเลยแต่หากเราไม่มีปัญญาพอจะทราบได้เราจะใช้วิธีการเชื่อบุคคลที่ควรเชื่อไปก่อนหรือไม่ครับก็ก็ต้องเป็นอย่างนั้นบุคคลที่ควรเชื่อก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องได้รับการรับรองแล้วว่าเป็นบุคคลที่รู้จริงเห็นจริง เป็นผู้ที่ไม่โกหกหลอกลวง stop. เราโชคดีที่มีบุคคลเหล่านี้ให้เราเชื่อกันแตก็ยังแต่ก็ยังไม่พอเพียงการที่จะทําให้เราหายสงสัยจริงๆเราก็ต้องปฏิบัติตามที่พระพุพทธพระธรรมพระสงฆ์สอนเพราะเรื่องราวเหล่านี้เราสามารถพิสูจน์ได้รู้ได้ด้วยการฝึกจิตด้วยการบาเพ็ญสมาธิภาวนาฉะนั้นก็ขอให้เราพยายามปฏิบัติไป แเดี๋ยวเรื่องราวเหล่านี้จะหายสงสัยคำถามจากคุณยุย้ยอยากกราบถามว่าตอนเป็นวัยรุ่นไม่มีความรู้เรื่องบาปบุญคุณโทษมากก็ได้ทำไม่ถูกต้องตามประสาวัยรุ่นทั่วไปตอนนี้โตแล้วรู้แล้วตั้งใจทำดี ทั้งกับตนเองและผู้อื่นแต่ก็มีปัญหาเรื่องส่วนตัวและการเงินรู้ว่ากรรมของเราแต่การที่เราตั้งใจทำความดีแล้วมีเรื่องพวกนี้มาบั่นทอนจิตใจทำอย่างไรดีที่จะไม่ท้อในการทำดีเพราะเราเห็นคนที่ทำไม่ดีกว่าเราเยอะมากๆแต่ก็มีกินมีใช้อย่างเหลือเฟือก็มองว่าเรามีวิบากกรรมไม่เหมือนกันฮะ ผลของการทําบาปต่างกันคนเราเลยมีความไม่เท่าเทียมกันก็ต้องยอมรับไปตามความเป็นจริงเราลําบากกว่าเขาเขาสบายกว่าเราก็เรื่องของเขาเขาสบายกว่าก็เรื่องของเขาเราลําบากเราก็ต้องสู้กับความลําบากของเราไปพยายมีความอดทนไปพยายามมีความเพียรไปทําความดีไปเรื่อยๆ เดี๋ยวสักวันหนึ่งวิบากกรรมของบาปที่เราทํามันหมดแล้วมันเราก็จะดีขึ้นไปเองอย่าไปวัดตัวเรากับคนอื่นให้วัดตัวเรากับการกระทําของเรากับเหตุการณ์ของเราให้เราสู้กับเหตุการณ์ของเราสู้กับวิบากของเราอย่าท้อแท้อย่าเบื่อหน่ายยอมรับกรรมไปแล้วพยายามทำความดีไปเรื่อยๆเท่าที่เราจะทาได้ ทำไม่ได้อย่างน้อยก็อยากไปทาบาปก็แล้วกันคาถามจากคุณ อ, อมศิรินกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะกาลังป่วยหมอนรองกระดูกยุบซึ่งปวดมากลาป่วยนอนอยู่ที่ห้องเลยมีโอกาสได้ดูไลฟ์พระอาจารย์กราบขอธรรมะหรือวิธีปฏิบัติที่ช่วยให้อยู่กับความเจ็บปวดที่มีอยู่ให้ได้ค่ะ ก็พยายามมองร่างกายว่าไม่ใช่ตัวเราของเราเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นผู้มาใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือร่างกายเป็นเหมือนรถยนต์เราเป็นเหมือนคนขับรถยนต์ออรถยนต์เสียเราคนขับไม่ได้เสียไปกับรถยนต์เราก็ซ่อมรถไปคนขับก็ใจเย็นๆรอให้ซ่อมเสร็จพอซ่อมเสร็จก็เอาไปใช้งานต่อได้ ต่วที่ซ่อมมันก็ จ, จะเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็รับรู้ไปอย่าไปอยากให้มันหายถ้าอยากแล้วมันจะทรมานใจความทุกข์ใจความทรมานใจเกิดจากความอยากของเราความอยากที่ให้ความทุกข์ทางร่างกายหายไปอย่าให้เกิดความอยากอันนี้ คอยบอกว่ามันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปเดี๋ยวถึงเวลามันหมดมันก็จะหมดเองตอนนี้ไม่หมดอยากยังไงมันก็ไม่หมดอยู่ดีมันจะเจ็บก็ต้องปล่อยให้มันเจ็บไปใจเราอยากไปอยากให้มันหายเจ็บอยากแล้วมันจะทรมานใจอยู่กับมันไปอยู่ด้วยการทำใจให้สงบพุทโธพุทโธพุทโธไปเวลาเจ็บใช้ได้ป่วยนั่งไม่ได้ก็ไม่เป็นไร พุโทโธตอนในท่าไหนก็ได้ท่านอนก็ได้ขอให้ใจเราอย่าไปคิดปรุงแต่งถึงเรื่องของความเจ็บของร่างกายแล้วใจจะเบาจะเย็นจะสบายไม่เดือดร้อนกับความเจ็บของร่างกายหมดล้ยังเหลืออีกสามข้อครับเอาเหลื อ, อ, อาแค่ข้อเดียวก็แล้วกันเพราะมันเวลาจะหมดนะครับผมคำถามจากคุณน้องดิฉันนั่งสมาธิภาวนาพุโทโธรู้ตัวนะคะ แต่บางทีร่างกายโอนเอียงไปข้างหน้าข้างหลังบ้างแต่ดิฉันรู้สึกตัวแบบนี้เขาเรียกว่าหลับหรือเปล่าคะถ้ารู้สึกรู้สึกตัวก็ไม่หลับเวลานั่งสติเราอาจจะไม่สมบูรณ์มันก็เลยเองไปเองมาบ้างก็พยายามอย่าให้มันเองพยายามควบคุมใจให้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปอย่าไปกังวลกับการเองของร่างกายมากจนเกินไป นะ เ, ดเดี๋ยวจะไม่ได้นั่งสมาธิมัวแต่จะมาขยับร่างกายไปไปมาๆมาก็ยอมรับว่ามันอาจจะมีเอนบ้างเพราะว่าสติเรายังไม่สมบูรณ์อาแลาวนะวันนี้วันนี้เวลาก็หมดพอดีก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ